ธรรมัชชาดกแผ่นที่8ตลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5มกราคม2555มีชื่อเรื่องว่าแย่งผัวไม่กลัวเวรพระ สามสิบสองหม่อมาชันหกองเมื่อเนี่ครบอาการสามสิบสองรสามสิบสองรูปผ่าในวัดเท่าไปเที่ยววิเวกก็มี่ไปทำบุญหาแม่ก็มีม่เยี่ยมแม่ป่วยก็มี่โอ้เมื่อนี่เป็นหลืกสันวันดี ปีใหม่ผ่านไปบอดนฝนตกชุ่มเย็นในเขตทินฐานบ้านของพวกเข้าเพื่อนายุงเข้าเมืเ่อนี่เป็นวันที่หาวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราชสอง5ห้า้อยห้าสิบห้าปีใหม่ผ่านไปหามือฝนตกพอดีตกพองา ม, งาม ชุมเย็นทัวอัมเภอนายยุ่งของเห่าคิดว่าโจกติตจ ก, กวางอย่างนี้ได้เบิง่งเบิ่งเอยเมื่อนี่เป็นวันพอเน้นดุยกับเมนเน้นดุยทําบุญบ้านของเพิินม่อนพระไปสวดม่อนเมื่อวานเมื่อนี่กันเดีวมาเอาอาหารถวายมากมาถวายพระสงฆ์ในวัดแต่ตามไม่จริงวัดปลาบ้านตาดนะคณะท่าญาติโยมผู้ใดนิมนต์พระพระบอไปสันจังหันในบ้านเลย อย่าไปวิตกกลังวลอันนี้คือเป็นประเภทนี้ขององค์หลวงตาหลวงตามหาบวัวหลวง พ, อพ่อปโยหัน14ปีเวลามีคนหลมคนตายในหมู่บ้านเพิปนก็ไปสวดให้แต่ปนโมไปสวดมลแร้งให้เลยปนโมไปสวดให้แต่ว่าปนไปสวดมัติการาปารชาแล้วก็ไปชุ่มเพิ่งเสซตแล้วก็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 แต่ว่าน่านอุดอรเพิ่นจะรับทีหนึ่งเพิ่นก็บอกคอยรับอีกรับนิมนต์เพิ่นบอกว่าวัดป่าบันตาดนี่ยทาวัดรับนิมนต์ทุกครั้งที่เขามานิมนต์ที่พอมีพระอยู่ในวัดเลยเป็นวัดไม่จะไล่าการกินไม่จะไล่าการกินนุนิมนต์พอยนั่นเฮ้าบ่อยรับบอรับนิมนต์อันนึ่คือวัดป่าบานตาตันดาศหลวงตาเพิ่นเด็ดขาดแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ ที่เอาอยางหลงตาเกิดจังไหนอยู่บ้านกระบอนั่นเออเรื่องเธอออกตนว ญ, ญาติโยมมากกโอ้ในม่อนหลวงพอ่อเออเเอาเออจืดจืดจุนจุ น, นไปฮะแต่ตามไม่จริงอันนี้เบอกให้ฟังก็คือเรื่องของโรงตาปฏิปทาของโรงตาจุวัตป้าบัานตาดโอ้ลูกให้ร้านให้สัตยา ญ, ญาติโยมฟังโดยมาเปิลไปเออเปิลจะบบอไปฉันในหมูบ่บ้านเวลาสวดม่อน งานศศโรกงานคนตายเนี่ยเหมือนเศร้ามากกว่า น, นีนะ่เอาจังเอาอาหารมาถวายพระในวัดนี่แหละคนว่าเอามาฉันพร้อมนาพร้อมตากันมันจะได้บุญหลายตัวลงตาว่าใช่ฉันทั้งสองสามสี่องค์อะเอามาสันเถอะพระยี่สิบสามสิบสี่สิบองค์เนี่ยที่บุญที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งผู้ใดกันน้อมําลึกทำไมในใจ ท, ทําบุญอุทิศส่วนกุศลพอแม่ปูยานตายง่าย องศาข้านาญาตที่หลวงรับดับคันไปอุทิศชนกุศลให้ในใจของเฮ้าอุทิศทำไมเปิ้ลเคยยำมาอีกว่าเนี่ยอย่าไปให้ทัพผู้อื่นอุทิศให้เจ้าของเจ้าของตรงเฮ็ดเองขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจีอยากได้ยั้งเฮ็ดเอาไปวัดไปว่ากันไปไหวพระโวดม่อนนางภาวน่าทำบุญทำท่านเฮ็ดเอา ยังมีชีวิตอยู่บาดฮาตายไปแล้วนะ่ะให้ผู้อื่นเฮ็ดให้มันพ่อปนั่นแหละคือเขื่อนเขาข้อสั่งผู้อื่นเฮ็ดงานแท่นเฮ้าห้างนะเท้าก็าเฮ็ดดีอยู่ห้างเท้าก็าเฮ็ดพ่อมาหล่อมก้องแก้มนะเนี่างเท้าเขาขีดข้านเขาขีดขัานข้าสั่งไปแล้วลืมลืมลงลงไปเอาไปมาเรยบเฮ็ดให้ซ้ําอันนี้คือกันเมื่อเขาตายไปแล้วเขาเบเห็นเฮ้าแล้วเขาสีมิจเจตหน้ามีความรัก เขาหลบักเอออีพออีแม่พอแม่ของเฮาหาเงินทุนมาให้ให้หน้าทรัพย์สมบัตินี่พอแม่ให้มากพวกเฮาจึงลำจึงรวยจังสี่เมื่อเพิ่นห่วงรับไปแล้วตายไปแล้วพวกเฮาค่วรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิ่นแต่ละเดือนแต่ละปีหรือว่าคบหลอบวันมรณะภาพของเพิ่นโดยมากมันยากเลมันยาก พรนั่นคณะเหามีชีวิตอยู่นี่อยากเฮ็ดยังเฮ็ดเอาตรวงตาเพิรนมหาบัวเนะ่ยเพิรนบอกอยังท่านเลยเพิร์นบอให้พึ่งผ้าอาศัยผู้อืน่นให้เจ้าของเฮ็ดเอาเองอยากได้ยังแต่ขณะเจ้าของอยังขี่ขานเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วยังไปวัดไปว่ายัางขี่ขานให้ท่านรักษาศีลภาวนาไหวพระสวดมนต์ยังขี่ขานแล้วจะให้ผู้อื่นขยันเฮ็ดให้เจ้าของ อมันยากอยู่เลยเป็นการขอให้พวกเข้าศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนะี่ยที่บอกให้ฟังเนะี่ยเป็นแนวความคิดของพัวเข้าทั้งหลายให้สางบุญสางกุศลจะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพัวเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วสักปีแล้วอนายยกตัวอย่างของหลวงพ่ออินเนี่ยนะอีกพกี่ปีกี่เจ็ดสิบเลยด้ปีนี้ก็หกสิบหกนะเดือนเมษายนีก็ จะเขาเจ็ดสิบเจ็ดจะได้บ่ทหกสิบเจ็ดจะได้บอทยางหกสิบเจ็ดหละยางไกลเขาไปเรื่อยบางคนคุมมือเนี่ยคันพ่อหอดฟันเกิดมากคบหลอบวันเกิดมาสนุกสนานเพิดเพิ่นเฮ้ห้ามอล่ํามอล่องมีวงดนตรีเลี้ยงแขกเลี้ยงโต๊จีนตามไม่จริงเลี้ยงโตจีนแกแมนเดียวกับงเทือกกรหางเงินในการนั่นอีก หา ง, งันกับรูกกับล้านอีกแต่ตามไม่จริงมาสนุกสนานเปิดเพื่อนเฮ่ห่านอันนั้นวอแมนวอร์แ ม, มนจังใดคือกันกับพญ า, ามัจจุราชนเอมัดแขนเท่าจูงเข้าไปหาลักประหานหน่อยอลักประหารคือลักขานลักทวงข้ออย่างกอซ อ, อกกอซอน้าหลังพญ า, ามัจจุราชอยู่บาดาไปหอดโมนึอเออ พักไปก่อนนะหน้าเจ้าปีนึงแหละโมเมนพักหนอะว่าเป็นยังถึงไปยี่กิวปีนึงแล้วเออพอปีนึงแล้วสนุกสนานกินเลี่ยงมูเพื่อนมองร ล, องล่อล่าทําเพ่งสนุกสนานทั้งทีมันย่างเขาไปไก่ลักลักประหารพ่อแห้งแล้วนะเอายังไปสนุกอยู่ถา้าตามไม่จริงได้รักของพุทธศาสนาแล้วเพลินบ่อยเหตุทั้งสั่นเลยเพราะในเหตุยังไง อยยมากตัวใดแห้งห้ยสำนึกสำนึกลำลึกใหายสางบุญสางกุศลอยาตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของเห่าขนาดนี้แล้วอีกสักมือต่อไปไพ่ภาคนานี่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเห่ายาตั้งอยู่ในความประมาทให้บําเพ็ญกุศลให้สางบุญบุญยาบรารมี เขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเฮ้าอีกสักมือหนึ่งบอกมันมือได้ละอีกมือหนึ่งข้างหนาเนี่ยละคนหัวล้านเป็นว่าวันถวนเจ็ดอะไรวั่นถวนเจ็ดก็คือเอทิศจันทังคารเพิ่มพูดพระหัต ส, สุกเสาเนี่ยจิตตายในวันถวนเจ็ดนี่แหละเป็นว่าอันนี้ก็คือให้ค่าวว่าพอให้เฮ้าตั้งอยู่ในความประมาทให้พ้อมผ้ากันสางบุญสางกุศลเขาสู้ใจของเจ้าของเน้อ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 ใจเป็นผู้เหตุดเด้ใจเป็นผู้เหตุบุญใจเป็นผู้เหตุบาปจ้างว่าเป็นอย่างไงยังครับว่าเหตุใจคืดชะก่อนใจคืดชะก่อนยังค่อยเหตุบุญใจคืดชะก่อนยังค่อยคอยบ่ใจคืดชะก่อนยังคอยทําค่านว่าใจคึดไปในทางที่ขาผู้อืน่นบน่ขโมยผู้อื่นเหตุความซัวคนะืดช ะ, ะก่อนแล้วก็เอากาย Hep. เหตุเหตุความซัว ทั้งขาทั้งป่นทั้งหลักทั้งขโมยเห็ดน้่นมันชัวร์ทไมไปนั่นมันผิดกฎหมายหนะ่ะยผิดศีลธรรมอันนื้อกระใจคืดจักรอนีค้คอยเห็ ด, ดแล้วก็ใจคิดจะกรอนี้นค่อยพูดนะเออจะลบแล้วก็คือเวลาพูดออกไปเวลาว่าจ่าพูดออกไปมันก็ทรงของมาหาใจเพราะใจเป็นผูกคืดจักรอนี่ยังทรงออกไปทั้งว่าจาออกไปสร้างคำพูด อะไรก็ใจคืดซะกอ่อนยังคอ ย, คอยไปเห็ดเนี่ยพ่อไปเห็ดไปคาสัตว์เข้าไปแล้วกายเนี่ยมันก็ทรงเของมหาใจคือเขาเพราะใจเป็นปู่เป็นผูกคืดซะกอ่อนยังคอยทรงกายไปจัดการไปขาเอไปทําความส่วนเพราะนั่นเพราะยังว่าใจของเห่าเนี่ยมโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถิหามโนม่ายาเนยเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นไงมีใจเป็นหัวหนา้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจตัวนี้แหละเป็นขั้งเป็นขั้งได้เป็นตูเส็บเก็บบุญเก็บบขาข้าวสู้จิตเข้าสู้ใจเพราะฉนั้นขอให้พวกเฮาปเนเยาว์วัยมีพุดโธษในใจเฮ็ดยังให้มีพุดโทเนอ้อพ่อแม่กูบายจานของเฮาให้มีพุดโธษในจิตในใจถ้ามีพุดโทษในใจเลยข่าขําคว่ำส่วนขอม้าบ่อได้พอเามีสติอยู่สิ่งใดที่มั่นบ่ดีเฮาบ่เฮ็ดบ่ทําบ่พูด ในสิ่งที่มันบอถูกต้องเห็ุในทางที่ถูกต้องนี่แหละสรุปลงมาแหละพันว่าตายแล้วบอศูนย์เนี่ยบ้านเนี่ยตายแล้วเกิดอีกเนอะพันว่าพระพุทธเจ้าพันว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพันว่ า, วาตายแล้วบอศูนย์นะตายเกิดอีกเด้่ยคำว่าตายแล้วศูนย์บ่หมีผีดอกเพต้องย่านผีบ้านห้าเนี่ว่าตายแล้วศูนย์ปไล่ให้ไปนั่งผีไปซ้ำลูกย่านผีใช่ไหมเออผู้ว่าตายแล้วศูน ไ ป, ไปนอนผีประสาวอะไรเราเป็นยังย่านผีมานะผีเนี่ยก็คื้อย่างก็คือวิญญาณออกจากล่างไปนั่นแหะมันบอตายแล้วมันบอสูนตัวพ่อตายออกไปแล้ววิญญาณคือออกจากล่างเอาวิญญาณทั้งมีดทั้งยะแยเป็นอย่างมันยังบอเห็นพระพุทธเจ้าบนว่าแต่ละวิญญาณมันเป็นขืนของภัยของมันคือขืนวิทยุเนี่ยเอ็เอ็มเอมนี่เอ็มมันขืนมันมากแต่กันขืนตัวไหมัน หมุนเจอกันก็มันก็เห็นกันได้เพราะเห็นกันเกิดขึ้นน่ะคือกันเท่าเห็นผีกังซะละขณะว่าหมุนคืนไปมันคืนมันมันทีเย็บตันไปเออ่ยคืนวิตรโยนเท่ามันยังหน่อยเลยเอี่มันยังชนกันแต่ว่าคืนของวิญญาณเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกมันอยู่แต่ละคนเน่ะอย่งพวกเทาของที่แล้วนั่งเหี้ยงกันซาบราบเนี่ ลงพออินก็บบหุจักคือกันแต่ละคนคิดเรื่องอย่างลุงพออินบอดพอเสื้อพอเสื้อพเื้ออยู่ก็มีอยู่้ไปลุงพออินเออแมนแมแมนแมนลงคว่ลุงพออินบอดเนี่ยแมนแมนเออฟังอยู่เนเอยจังสี่ก็มีแต่ลุงพอกับบหุจักคือกันว่าเข้าคืดจังใดนั่นแะอันนี้คือใจของเข้าแต่ละคนเนี่อมันมีอยู่แต่ว่ามันบหุจักแต่พระพุทธเจ้าบนหูวได้บาด เพิ่นม่ยากนัศนาเคยค่ะว่าเพิ่นเป็นนางพาวนาเกียตของเพิ่นเขาสู้ความสงบเอ่แล้วก็ฮู้เลยบาดเนี่ยว่าใจของฮ้อนผู้นั้นคิดยังไงยังพระอนุรุธานแห่งหูจักมดว่าใจของผู้ใดคิดยังงเออคำมันเพิ่นขุดจึงสั่นขันเพิ่นหูจักสั่นมัดขุนเนี่ยเน่เพิ่นที่เป็นอย่างไหลงพอว่าพระทหารในเพิ่นขึ้นจีบบึงอยู่ตลอดลงพอวะเออบางทีปังกจิหุบไหวขึ้นกันน่ะ ขั้นเปิลเปิดไปอยู่ตลอดเบิงอยู่ตลอดคือเพิลก็คือสีหากออกลงไปเออเพินเห็นมนุษย์เพิลนั่นคิดจยงที่เพินี่คิดอยงสั้นเพินั้นคืนนอซีทับสว น, นวุ่นไหวขนาดว่าลงไปเออเพิลสีหุบไเปเพินอยากเบิงเพิลอะไเพิลยังมืนตาเบิงไปเออพอเบิงเพิพเลอะก็เพิลกระจีพดตาไหวคันสีเบิงทุกวิญญาณทุกแนวความคิดเนี่ยเรื่องใจของมนุษย์เนี่คือสีงุงเยิงวุ่นไหวนี่แหละอันนี้ก็คือ จุตูปปาแต่ย่านการจุดติของสรพสัตวแนวความคิดของสัตว์เอแลราโอเพเนียวาสานุตติยานก็คือการเกิดการตายอาพวกเขาเนี่ตายแล้วพ้นศูนย์เพราะพุทธเจ้าว่าคู่บ่ายจานล้มปูหลวงตาเฮาก็เถอดตั้งแต่หลวงปูหมันหลวงปูเสาหลวงตามหาบัวเนี่หลวงปูหลาเนี่คู่บ่ายจานพวกเขาเนี่ยืนจานนำการมัด หลวงปู่ขาวพ่อแม่คูบาอาจารย์พระปาพระดุงเลไปถามมังโรดด้วยทำไปมาถามหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินกยืนยันขึ้นกันน่กอตายแล้วบนสูตเป็นยังยังหูจักว่าตายแล้วบนสูตรเป็นว่าวิธีการพิสูจน์ให้นางพาะวนาให้นางพระวนาเนียอย่างพระพุทธลูกนางจะนัางปั๊บเพียบก็ได้อแต่ว่านางหนึ่งกําหนดล่มหายใจเขาออกจิตสงบพ่อจิตสงบพ่อจิตหนึ่งเป็นหนึ่งทนาน่ะ จิตร่วมสงบจิตเอรวมเท่านั้นแหะเป็นหนึ่งจิตบกคิดบกปุ๋งบกฝุ่งระสานร่างกายมันจะเป็นอันหนึ่งร่างกายของห้องเป็นอันหนึ่งใจของห้องเป็นอันหนึ่งเห็นได้ชัดเลยไม่ต้องถามไปบ้านหู้จักด้วยตนเองเลยร่างกายเนี่ตายแน่นอนถาดสี่ดินน้ำล้มไฟ ا นี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำล้มไ فا ่กตายไปเลยก็เน่าเหม็นเลยล่ะจากนั้นก็ไปเผาก็มีตะกระดูก แต่ว่าวิ่งย่านคือนใจคือน้มามธร้ำเนี่ยยู่ในร่างกายนะีมันออกได้บัดเนนะี่ยพอาะร่างกายมดสภาพแต่นั้นนะคือกันกับรถนะ่ะปั้นมดสภาพเนละมันเถ่าไปแห้งนะ อ, อย่างกระติดมดละ่ะลูกสูบกระแตกละ่ะอย่างของหัวสายพานกระลุดลนมดละ่ะโซ่เฟอร์สิเกเองไปได้ก็ตามไปขับรถเพราะก็ขับไม่ได้เหตุอย่างไรเพราะรถมันเถ่าแล้วอมันจะเป็นเศษเล็กลนะ่ะ เฮ็ดอย่างไร่ะโซเฟอร์ก็ออกจากรถเนี่ยรถขั้นไหนแต่มีแต่หนูเข้าไปปาหยาพ่องหยาเท่า น, นั้นแหละเป็นเศษเล็กย้นนอยนได้เน่ยเข้าจะเฝ้าย้อนได้เมบ่อวันวิ่นย่านคือกันกันกบคนขคับรถเนี่ยคือใจออกจากล่างพปและออกจากล่างไปหาเกิดหมอไม่ใช่แหละไปหารถขั้นใหม่อีกนี่แหละตอนที่ไปหารถขันใหม่เนี่ยสําคัญบาดเนี่ยพระพุทธเจ้าพ่อแม่คูบาอาจารย์เพลินวานเมื่อ ว่าเฮาได้สางบุญสางกุศลไหวในขณะทีมีรถขั้นนี้อยู่เนะี่ยเฮชางบุญสางกุศลไวหวมีท่านมีศีลมีภาวนาเป็นคนดีสรุปแล้วให้เป็นคนดีมีน้ําใจพอออกจากรถคันหนีไปแล้วก็มีเงินติดกระเป๋าเนีพอบุญเนะมันอยูเนะี่ยเป็นขั่งอย่างทีหลวงพ่อว่าเนะี่ยใจนี่เป็นขั่งของบุญใจเป็นขั่งของบาป บ, บุญกุศลมันก็เข่าสูขั้งใจขั่งใจ พอออกจากล่างนี้แล้วมันกับมีทนุนเนียจะไปซื้อรถคันใดก็ได้บาทนี่ยคันน้าวใจของห้างมีดขี่รถเที่ยวเล่นมดหมือมัดเป็นตะลอนผุนตะล่อนผิวบกคืดว่าถุสางบุญสางกุศลบวเชื่ออีกต่างหากตายแล้วศูนย์แต่ตายแล้วมันบอศูนย์บาทเนี่ยพอตายแล้วเฮ็ดอย่างไรบ่เนี้ยมดเงินบมมีเงินผมได้ใช้ใจในการหาไหวบวเชื่ออีกต่างหากพอออกจากรถคันนี้เลยคดคันนี้มด สภาพลเราไปนั่นแหละเออาจจะไปเกิดเป็นสั่งหม่างงวกว่ายหมูหมาเป็ดไก่ป็นลิงคางบางชนิดเป็นได้ทั้งมัดผลมาพระพุทธเจ้าพูดว่าไงตอนนี้เพิ่นโมได้รับประกันนะว่าเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกบ่อได้เกิดเป็นหมาก็ได้ในข้างพระพุทธเจ้าของเห่เนี่ยเพิ่นหม่อมามากต่อมากเรื่องคนเกิดเป็นสัตว์ทีละฉันออกจากมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นหมูหมากาไก่ในหลักของพุทธศาสนา ก็ขอให้พวกเขานะคะนาาธาธาญญาัตถะง่ายง่อมนะขันโผไดมีบาปมีกรรมจองเว้นกันไหวเว้นเนี่ะจะจ้องกันตลอดนะเปิรนว่าออย่างที่เปิร์นว่าในเอธรรมบทนะในข้างพระพุทธเจ้า อ, อยักขีดนี่จิบกิ่นลูกของอีนางนึ่งแนตะ่แลนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอว่าเนี่ยชาติที่แล้วจองเว้นกันสู่เจ้านะ่ะ เอีที่แรกกัผู้ผัวเอผู้ทายเนี่ยเอเป็นคนมีตะกูลไปแต่งงานไปแต่งงานกับผู้ยิ่งปันได้มากเพระผมมีลูกเป็นแม่หมันเป็นหมันบาดฮะเนี่ทั้งตระกูลผู้ท่ายเนี่ยอโอ้ยขั้นเป็นหมันนี่สิก็ะตองหาเมียไม่หายเพื่อจะได้ลูกมาสืบตระกูนทั้งเนียไม่เนี่กระ ทา้งเมียใหญ่เนี่ยก็ย่านผัวเน่ยไปหาคนสุมส่มซีซุ่มหามา่ยายันเป็นอริเจตูกับเจ้าของเม่ใหญ่ก็หวงสมบัติกันไปเดี๋ยวคอยจะไปหาไฮร็กอกคนนะ่ะตกลงกับพีน่น้องทังผัวเจ๊ตรงผัวก็ได้ไปหาคนที่หูจักมักคุนกันที่คนฮักกันของเมียใหญ่เอามาให้เป็นเป็นแฟนของผัวเพื่อจะได้สืบตระกูลบกตระกูลใหญ่ตระกูลที่มีเงินนี่ย เอาไปเอามากกับพ่ออีนั่งหรือมาอยู่นั่มเข บ, บอกว่าขั้นเจ้ามีเออขั้นขั้นเจ้ามี่หลูกในทองบอกข่อยเนอะอีนั่งนี่ยคือซื่อหนะบอกเออข่อยตั้งขั้นแล้วนะทั้งเมย์ใหญ่มันเจตนาบุตรีเลยเจตนาบุตีคล้ายๆกขาว่าจาังไนกูบอให้หลูกมันเกิดขั้นหลูกมันเกิดมันกัดจีไนเฮ่อมันกัดจีไนทับถ่วมกูอีกนะความอิจฉาเนาี่ย บ้านี difícil, ่ก็แ like ต่งยาให้แ like. ล okay ้ว like บ anyway. okay. ้า like นี auge. ่ไปศึกษาเรื like ่องยาแนวไดกินเข้าไปแล้วมันจะลุกลูกกันไปมันจะแท่งลูกน่ะพ่อคืนมากก็ให้กินมันไปกินไอีนางเนี่ก็แท่งลูกนะเอ๊ะพอต่อมาอีกพ่อตั้งขั้นขึ้นมาอีกเอ๊ะบอกกับอกให้แม่ยายอีกอแม่ยา่ก็แต่งยาให้อีกกินอีกแท่งอีกพ่อเถือที่สามเลยบ้นอีหนางนี่ก็เลยไปเว่าวให้ไทยบ้านฟังโอ้คอยบอกให้แม่ยายแม่ใหญ่ให คอยยาคอยกินคอยก็เลยแทงลูกทางผัวบอกใโงอเถืมึงเหนี่วท่านบนแมแแม่ใหญ่แตงยายเมึงกินเนี่ยมันแทงลูกบอกว่าท่นมึ่งจะไปบอกแม่บัตรเหนียวท่านเออมาในอีนางเนี่ยก็เลยต่างขั้นคือเธอที่สามบอบอกบ้านพ่อบอบอกเนี่ยก็ท่องใหญ่ถึงหาหกเดือนได้บ้านีเออจนแม่ใหญ่เห็นเออแม่ใหญ่เห็นพิษปกติอ่ะมันท่องใหญ่เอเป็นยัง เจามีท่องเจอแมแ่เราได้สักเดือนแล้วหาหกเดือนแล้วโอ้เป็นยังบอบอกแม่โอ้ยบอกแม่สองเธอเลยไม่ถึงไม่ถึงแทงก็เลยบาทนี้ก็เลยบบอบอกโอ้เด็ดต้องกินยาบำรุงขั้นแม่ปวดว่านี้แหมมันเด็กที่สมบูรณ์ก็แตงยาให้เขากินอีกเหมืนพอแตงเขาบัดกินบาดเนี่เด็กหน่อยอยู่ในท้องมันตายจะแล้วบาดตายทุร่นทุรไล่เขมันโกมือแล้วก็จะมีเครื่องผ่าตัดออก อันนี้สมัยนั้นเหมือนบ่กมีเครื่องพ่าตัดอย่างที่ตายลูกตายอยู่ในทองกัแม่ก็ตายนั่มแหละพอลูกตายแม่ก็ตายนั่มแต่ก้อนสีตายในบานเนี่ยผูกพยาบาทอาฆาตได้ปะเนี่ออนึกในใจขึ้นมาเน่ะสาธุนะก่อนข่อยขิ้นมาอยู่บ้านหลังนี้ก็แม่แม่ใหญ่เป็นผูกไปขอข่อยมาบา้านในมาเลยก็มาด แดงอย่าขาลูกในทองสองเทืออันนี้เป็นเทือที่สามวันลูกใหญ่แต่คอยเศรษฐีตายน้ำลูกอยู่ในทองอีกฉันเกิดพบนาชาตนาคอยเฮดคาเมย์ใหญ่เน่ยกับลูกอีกทุกๆชาติไปนี่แหละแม่หน่อยนึ่งจ่องพยาจองเวน้นเลยเด้บาทเอี่ยอมไปทำมันมันเจ็บใจจองเว้นพ่อตายปุ๊บไ ป, ไปไปเกิดเป็นแมวบ้านในบ้านนะบาน เออในบ้านหลังนั้นมันมันห่วงบ้านอยู่เด้เออมัญหาเครียดให้ผู้อื่นถ้ามันเครียดให้เม่์ไนย์ห่อยทิ้งบได้เครียดให้ผัวทั้งผู้ผัวเนี่ก็เป็นเป็นอย่างมันยังเป็ดนึ่งที่เมียหน่อยก็บ่อยฟังก่อนมื่อทตายโอ้ยคอยที่ตายเข้าเนี่ยเม ย, ยไ์ไนยเนยแตงยาให้ค อ, อยกินนั่นเองบาดหาแล้วผัวเกิดพ่อเมียหน้อยตายมาเกิคือทอดเมียตัวมีลูกอยู่ในท้องอีกก็ถามให้เจ้าผ่วเป็นผู้แตงยาให้เมียหน่อย อมันกินสามเทือนแม่นิรีบอนะ่อนี่ยญ่ก็อื้ออกักรักทั้งผัวเลยก็บ่ชจักสันตะแคีงบวชจักศอกจักเขา้เาทนน้ำหมอจนเบี้ยายายก็น่วมไปขึ้นเอาไปมากจนช้ำอกช้ำใจก็เลยตายอีกคนหนึงไปพอตายแล้วไปเกิดเป็นไก่บ้านี้ในบ้านหลังนั้นนะมันไปเกิดเป็นไก่พอไปเกิดเป็นไก่แมวกับไก่บ้านไปย่องไปกินกินไขไก่บ้านเนี่ย ไปกินไข่ไก่เทือที่หงเทือ ท, ที่สองเทือที่สามไข่ว่าได้กินบาดนันมดเลยพ่อต่อม่าเลยเกิมันหามันกินบ่พ่อเนี้ยมั น, ม, น ม, ม, มันบ่เป็นทีไข่ผู้มือมัอนปลอไก่เอาไปมากกินไก่เองป่ะกินแม่มันอีกหนดเลยแมวกินทั้งไข่กินทั้งแม่มันไอตัวไก่เนี่ยกับผูกอาฆาตเองเออขอให้ขาไปเจ้าเกิดได้เบียดเบียนมึงเด้หรอที่แมวตัวนีวะนะ่าไงไปไ ป, ไปเกิดเป็นเสือ เพราะไปเสือแมย์ใหญ่เกิดเป็นเสือไอ้นี่ไปเกิดเป็นง่วงนัน่นแหละมันเป็ี่นกังจันได้เวทนยมันลมันละ ง, งาปะเปลี่ยนได้ในว่าวิญญาณในว่าวิญญาณพราะพูใ้ใดเจ้าพปนหูจกักวิถีวิญญาณการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะไปเกิดกินลวกมันเลยกินแม่เพราะในสุดมาเกิดเป็นคนบ้านนี่ยอมื่อเกิดเป็นคนผู้นึงเป็นหยักผู้นึงเป็นคนบ้านี เขเป็นยกนัยกษ์เลยคื อ, อยังคือผีปอบนี่เนาะไปเออคือผีปอบผีกะเนี่ยเอพอออกลูกมากกิกนกินลูกมันอุ้งตื้นกินเอาไปมาลูกที่สองพอลูกที่สามไปอยู่หมองอืดบ้านเนี่ยหนีจากหมอกหันมาหนีจากบ้านนั่นไปอยู่น้องเคลื่อนยา้ายบ้านมาป่าธาลูกใหญ่ขึ้นว่ากําลังทิบอ่อแอ่เนี่ยกำลังหวกกว่าดเกือบสองปีนี่เดีกลับมาบ้านเก่าว่าเป็นอยาบบ่างประปานี้ท่าน ผีปอบเมื่อสิ้นหนีแล้วมั่งไอ้ไอ้นางผีปอบเนี่ยกะหาโยนออกไปมันไปใส่เอ๊ะมันไปใส่แสดงว่ามันก็บมมีญานเคลือ่อนออกไปเอาไปมามเห็นกําลังอุ้มลูกคนมาวันไปลูกคุณมา ก, กับผวัวพ่นไปพ่อมาเห็นผีปอบตัเนี่กะพ่อเห็นนั่นแนหะะเห็นกับวโอ้เด็คอยขออุ้มแล้วแต่หนูโอ้ยไอ้นางนมันเห็นมันจําได้ได้ป่ะเนี้ ว่าผีปอบมันเคยกินลูกมันซองเถือนเถื่อที่สามระบาทนี่โอ้ยมันก็หอลูกกันแล่นในตะบันี้ยอีนี่ก็แล่นนําหลังมั้ออไปมันแล่นไปมัยังดีมันเข้าไปวัดปายเชิดตะวันมหาวิหารไปหาพระพุทธเจ้าพ่อเห็นประตูโขงประตูประตูวัดทนั้นแล่นหมดก่อนแล้วนะไปพระพุทธเจ้ากาลัางเทศอยู่อบร่มพี่น้องไปใช้ชนอยู่แล่นเข้าไปถึงนี่ผีปอบเขาบ่ได้เย้ย พ ว, พวกผีเนี่เขาวัดบวไรบัพอเหตุไดพรเทวดาเดชเทวดาอารักษ์เนี่ยเทวดาที่มีศักย์ใหญ่รักษาประตูอยู่พวกหยักพวกเนี่ยรักษาประตูผีทานันเขามากเงือกเธอเลอเ ร, ร์เนี่ยเขาบวไรแงญากเด้งแหงเขาไปบไรอินเอ็นย่างนี่ยกัแลนเขาไ ป, ไปกักัาบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอีหยังมาจั็เลยบอกให้ยฟังว่ผีปอบกินลูก พีปอบคีก้าอามนุษย์อย่งกินลูกผู้ขาสามเถือแล้วนสิใสมานี้เพิ่งก็เลยว่างไปเพอว่างไปเไปเรียกมันมาโอ้ยอย่าไปเรียกมันเมาสิมันทิกินลูกผู้ขาเอ้ยที่เป็นยังละสิยู่นาต้อนาเล่ามาสิเพราะผูใจเจ้าอ่ะเจ้าเนี่ยก็เอิ่นมาเอื่นมาเพิ่งก็บอก่อยฟังนี้นะสู่เจ้าสองข้นี่นะวิญญาณอามนุษย์ส่นะกรรมนุษย์ี่นะสู่เจ้าหัวเจ้าความเว้นมันเกิดมาจากไสมาสิบ่งหัจักแล้วนะ นั่นแหละมันเว่นคือมาจากสุเจ้าแย่งผัวกันพระเจ้าเป็นวะเอวนอพอนั่นต่อไปนี่ให้เอาโหัสีกันจะได้คันบงเอาโหัวสีกันมัดปอเป็นเว่นยิ่งใหญ่ขึ้นไปหนาเรื่อยพระพุทธเจ้าเป็นวะต่างคนกับต่างเล่ห์ให้เอาโหัสีกันเห็นโทษมันไ ป, ปอพอพอถือโทษโกรธเครื่องกันเน่ยเว่นก็เลยระงับนั่นแหะแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าเล่หให้หยักตัวนี้แหละไปอยู่กับ บ้านอีนางนี่ยเป็นผูดูแลใครครว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกันเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไม่ได้ด้วยการจองเวรเพราะนั้นสิงมูนีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพ้านว่าตายแล้วบอศูนย์ทํากรรมไม่อย่างไรวกรรมนั่นจะตามสนองการทากรรมบดีจองเวรไหมเวรนี่ก็จะต้องกอ่อกันก่อกรรมทาเวรต่อกันบ่ไม่ที่สิ้นสดุด เพานพวกเข้าเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมํามสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเข้าเชื่อไปนะเนอะเชื่อพระธรรมขามสอนเออเชือเอ่อขั้นบวอยากเชื่อก็ให้นั่งเข้าวันหน้าอย่างที่ลงพอเบาทาจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบสนั่นแหละจะฮู้ได้ด้วยตนเองแล้วว่าตายแล้วบออ่อสูตรเออตายก็คือกันครับร่างกายขึ้นกันกับอกลดออยู่นี ป้ายหยาเจ้ะนะรถท้างนรถแก่นะรถเท่ารถมันมัสภาพแต่โซคเฟื่อออกจากรถได้บันไปหาซื้อรถคันใหม่ขั้นว่าซื้อรถคันใหม่ขั้นบ่มีทุนบ่มีเงินกันนั่นแหละไปหาเกิดเป็นหมูหมากาไกลไปหลายบัดตกต่ำเพราะนั้นพวกเข้าได้เกิดมามพอพุทธศาสนานให้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วบ่อสูญอในรักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีก บาปปุ่นคุ้นโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเกิดมาชาตินี้ก็จขัน้นผู้ใดอยากติดคุกก็บรยากาอไปขายยาบายามาเลยไปป่นไปไปลักไปขโมยไปเฮ็ดบุดรีท่านนั้นแ่ะเขาก็จับเขาคุกหลวนนะเนี่ยเฮ็ดสวมก็ต้องได้่วมเฮ็ดดีเลยเอเอเฮ็ดดีอย่างพวกเข้ามาทำบุ่นทำท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์กันมีเมตตาต่อกัน มีแต่คนยกหย่องเชิดชูบูชาตัวเองก็มีแต่ความสุขลมเย็นเป็นสุขพอบริเฮตความซัวนะถ้ำดีแลยจะได้ซัวเลยจังไหนถ้ำซัวเลยจะดีกับบอมีพนันคอยพวกเข้าทุกคนคนณะชาติไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนเกิดมาพบพ ร, รพุทธศาสนาให้สังสมพุทง่ามความดีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเนี่ตายแล้วบริสุท์นะหลับพ่อในตนอนุโมทนาให้พร